แต่ว่าเป้าหมายในชีวิตของเรามีอยู่แล้วเราต้องการความพ้นทุกข์จริงๆหัดภาวนามาตั้งแต่เด็กเด็กก็ฝังว่าวันหนึ่งจะพ้นทุกข์นะแต่ไม่รู้ว่ามันจะพ้นเมื่อไหร่ถ้าได้บวชได้ภาวนามีความสุขเห็นพวกเราก็ยังสงสารนะยังหน้ามืดตา ม, มัวแต่ก็ดีกว่าคนเพิ่งเข้าไม่ภาวนาคนที่ไม่ภาวนานะ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 วันวันหนึ่งรู้กี่ชั่วโมงเนหลงกี่ชั่วโมงรู้ไม่เป็นชั่วโมงหรอกรู้ได้ไม่กี่นาทีหรอกวันหนึ่งวันหนึ่งเ <c oughs> วนนงลาส่วนใหญ่ไว้หลงแทบทั้งนั้นรู้ได้ทีละแวบทีละแวบใช่ไหมหลงทีหนึ่งหลายวาเลย <c oughs> <c oughs> วันไอ้แวบเดียวแวบเดียว <c oughs> แล้วก็จะบ่นว่าโอ้เมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้ <c oughs> ทีต้องอดทนเอานะคอยรู้สึกไปรู้สึกไป <c oughs> ในความเป็นจริงไม่ใช่ว่า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 บางคนหลวงพ่อก็เสียดายนะภาวนาฟังธรรมะไปใจรู้ตื่นเบิกบานภาวนาได้ดีๆมานล้ววิ่งไปวัดโน้นวัดนี้อะไรเงี้ยฟังครูบาอาจารย์องค์โน้นว่าอย่างนี้องค์นี้ว่ า, างี้นเ <c oughs> ปกลับมานะ <c oughs> สมสารเหมือนนกปีกหักกลับมา <c oughs> <c oughs> ปันป่วดไปหมดเลยทีก็คึกคักไปเร่งความเพียรจนเพียนไปเลย <c oughs> ความเพียรมันเร่งไม่ได้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 อย่าว่าแต่หลวงพ่อไม่ตอบเลยพระพระพุทธเจ้ายัางเคยไม่ตอบเลยตอนท่านจะปรินิพานมีปริพาชกคนหนึ่งชื่อสุพัทน์มาขอพบท่านพระนรนจะไม่ให้พบบอกว่าอย่ามากวนเลยเนี่ยหน้าตาอย่างเนี้ยชอบถกเถียงปัญหาธรรมะ้พวกปริพาชกทุกวันนี้ปริพาชคเยอะนะไปไหนก็พาเข้าชกกันเรื่อยไปเลยปริแปลว่ารอบะชกได้รอบตัวเลยอยู่ที่ <laughs> เนี่ยปริพาชกมาหาพระเจ้าพระนนท์จะไม่ให้พบผู้เจ้าท่านอนุญาตมาถึงสู่พัทธาก็ถามเลยบอกว่าเนี่ยในชมพูเทวีปตอนเนี้มีสำนักใหญ่อยู่หกสำนักอยากทราบว่าแต่ละสำนักเนี่ยมีทางผลถุกไหมมีทางบรรลุมรค น, นิพพานไหมพราะทุกสำนักบอกว่าทางของตอนเองเป็นทางไปสู่มรค น, นิพพานขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยวิเคราะห์ให้ฟัง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 ถ้าเราจ้องใส่พระพุทธรูปนะี่เราจําหน้าพระได้เลยดูไปเรื่อยนะพระค่อยใส่ขึ้นใส่ขึ้นนะแต่ไปเป็นดวงแก้วขึ้นมาเลยนะอย่างนี้ได้สมถะแต่ถ้าจะทำํำมิปัสนานะต้องไม่หลงออกไปไม่หลงออกไปทางทวาร ท, ทั้งหที่หลวงปู่ดุลิ้วว่าไม่สรงจิตออกนอกคําว่าไม่สรงจิตออกนอกไม่ใช่แปลว่าไม่รู้อะไรเลยนะแต่ว่ารู้แต่ใจไม่หลงรู้แต่ไม่หลง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 ไม่ใช่นะเนี่ยเพีย้ยนละรู้ตัวทั่วพร้อมแต่ว่าไม่เผลอเท่านั้นแหละไม่เผลอไม่เพ่งน่งนี้เรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมอย่างนี้เรียกรู้ทั้งตัวรู้ทั้งตัวก็รู้ตัว ท, ทั่วพร้อมนีคนละเรื่องกันรู้ตัวทั่วพร้อมนั้นแค่สักว่าระลึกสติสักว่าระลึก ร, รู้กายหรือสติสักแต่ว่าระลึกรู้ลมหายใจกนะ็รู้ตัวทั่วพร้อมละรู้ตัวทั่วพร้อมก็คือใจมันตั้งมั่นอยู่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 เรียนรู้มันไปเรียนรู้สิ่งที่เป็นคู่น ะ, <ฮ>ะถ้าเรียนรู้สิ่งที่เป็นคู่แล้วจะรู้สิ่งที่เป็นหนึ่ ง, งถึงวันหนึ่งพอแล้วจะรู้เองเจ้จจค่ะแล้วก็เห็นเออตอนนี้เนี่ยมันก็ยังบางครั้งมันก็ยังอดเพ่งที่จิตไม่ได้ก็เลยตอนนี้เลยเข้าใจที่พระอาจารย์พูดแล้วเจ้าค่ะว่าพอไปเพ่งปั๊บเนี่ยมันจะไม่เห็นกฎมันจะไม่เห็นอนัตตาเลยเนี่ยค่ะพอแวบออกไปแป๊บหนึ่งเนี่ยพอมาเริ่มเวทนามจะเห็นมันดุกดึกดุกดึกอยู่ตรงนี้ค่ะ แล้วก็จะมีครั้งหนึ่งที่เห็นว่าโอ้โหใจเราเป็นของเราแล้วติดแน่นเหนียวหนึบมากเจ้าคะอันนี้ก็จะคำว่าแน่นคำว่าเหนียวคำว่าหนึบนั่นแหละคือคำว่าปูตุชนปูชูชนแปลว่าหนาเหนียวเหนียวหนาหนาเนะหนาจริงๆเหนียวจริงๆนะหนึบหนึบด้วยนะหนืดหนืดด้วยเอาออกยากดีนะภาวนาใ่้ฝึกไปเดินอยู่ในร่องในรอยละนะดูไปเอาพี่แม่มส่งกันบ้านจิตมีโมหะดูออกไหม ราบเจ้าค่ะแล้วก็ฟุ้งซ่านตลอดเนี่ยเจ้าค่ะแต่ว่าพี่แหมมรู้สึกไหมตอนนี้ประคองเริ่มกดแล้วใจเริ่มนิ่งกว่าความเป็นจริงเริ่มแข็งแข็งขึ้นมาแล้วเนี่ยประคองอยู่นะขณะจิตเนี่ยรู้สึกไหมจิตไม่เหมือนธรรมดาพอมันตื่นเต้นขึ้นมันกดเอาไว้ตื่นเต้นเล็กๆสงสัยแล้วก็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 ที่ผ่านมาเนี่ยสองวันนี้ก็รู้สึกฟุ้งซ่านตลอดเลยก็เห็นโมหะเห็นเห็นความคิดพี่แหม่ม<ด>รู้สึกไหมเราไม่ได้พานาเพื่อให้จิตสงบไม่ได้พานาเพื่อไม่ให้หลงนะแต่เราพานาจนเราเห็นความจริงว่าจิตมันฟุ้งซ่านได้เองจิตมันหลงคิดได้เอง จ, อจิตมันทํางานได้เองเนี่ยการที่เราหัดรู้หัดดูไปเรื่อยน ะ, ะวันหนึ่งเราจะปิ๊งขึ้นมาจิตไม่ใช่เราหรอกเป็นทางานของมันเอง ก็จิตมันไม่รู้ไงเจ้าค่ะรู้แต่แล บ, บวิตมันยังไม่เห็นเราก็ต้องดูดูลงไปจนมันหนึ่งมันยอมรับนะมันยอมรับเมื่อไหร่ก็ได้ธร ร, รมะเมื่อ น, นั้นนึกว่ า, ายอมรับธร ร, รมะเข้าสู่ใจเจ้าค่ ะ, ะไม่มีใครกีดกั้นเราไว้จากธรรมะนะเรากั้นของเราเองเรากัานไม่ให้ธรรมะเข้าสู่ใจเราเองเพราะด้วยความหวงแหนตัวเองดีแล้วพี่แหมมเคยรู้อะไรนะแต่เออ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 แต่มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะมัน เ, เป็นแต่แตเรามันเป็นแต่เรารู้ทัน เ, เราต้องเล่นละครคอยู่กับโลกเราเล่นกับเขานะอย่างเราไปงานศพนะหลวงพ่อสารภาพตรงๆเลยหลวงพ่อไปงานศพจิตหลวงพ่อเบิกบานเราจะนั่งมันก็ไม่เหมาะใช่ไหมเราก็ต้องทําหน้าตาให้มันดูอุบเบกขาหน่อยใจ <laughs> <laughs> เรามีแต่ความสุขอ่ะเออมันตายแล้วอย่าว่าแต่คนอื่นตายเลยตอน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 ตอนที่อยู่คนเดียวสบายๆเนี่ยสองอันนี้ไม่เหมือนกันกถ้าเห็นตัวนี้เห็นความไม่เหมือนเนี่ยจะรู้เลยสิ่งที่เราสร้างขึ้นคืออะไรเอา <นะ S 2> ไม้วางไว้นะเราเชิญไปทานข้าว